จเจริญพรท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6มกราคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ เป็นการให้ปัจจัยสี่กับจิตใจเช่นเดียวกับการให้ปัจจัยสี่แก่ร่างกายร่างกายมีความต้องการอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มฉันใดใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มและอาหารเช่นเดียวกันแต่ ปัจจัยสี่ของใจนี้ต่างกับปัจจัยสี่ของร่างกายเพราะใจเป็นนามธรรมอาหารหรือปัจจัยสี่ของใจก็ต้องเป็นนามธรรมเช่นเดียวกันไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นรูปธรรมปัจจัยสี่ของร่างกายก็เป็นรูปธรรมเช่นเดียวกันดังนั้นปัจจัยสี่ของใจ จึงเป็นนามธรรมก็คือบุญกุศลนีเองการกระทําของเราในวันนี้เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลเมื่อเราบําเพ็ญแล้วใจของเราก็จะได้รับปัจจัยสี่เช่นเวลาที่เราทําบุญให้ทานสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่น จะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเหมือนกับการได้รับประทานอาหารถ้าเราไม่ทำพุนทาทานเลยมีแต่รับประทานอาหารทางร่างกายถึงแมาร่างกายจะมีความอิ่มมีพีมันบางครั้งมีมากเกินความจาเป็นไปเสียด้วยซ้ำคือมีร่างกายที่อ้วน มีน้ำหนักมากเกินไปแต่ใจกับมีความรู้สึกหิวโหยกระหายอยากยังไม่อิ่มยังไม่พอยังอยากจะรับประทานอีกเพราะไม่ได้ให้อาหารกับใจให้อาหารผิดที่ใจร้องเรียกหาอาหารเราก็ไปรับประทานอาหารทางร่างกายร่างกายก็เลย มีปัญหาตามมารูปร่างก็ไม่สวยงามแถมยังมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเช่นโรคความดันโรคเบาหวานเป็นต้นเพราะพวกเราไม่ได้ให้อาหารถูกที่นั่นเองใจเรียกร้องหาอาหารแต่เราไม่ให้อาหารใจเราไปให้อาหารกาย ดังนั้นเราจึงต้องมาให้อาหารใจกันอย่างสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าทรงตรัสให้เข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อจะได้มาให้ปัจจัยสี่กับใจนะมาทําบุญให้ทานตักบาตรถวายอาหารถวายสังฆทานเหล่านี้เป็นการให้อาหารกับใจพ่าเมื่อเราให้แล้วเราจะมีความรู้สึก อิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมาจะอิ่มมากสุขมากก็ขึ้นอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนารมณ์ของการให้ถ้าเราให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้คิดถึงผลตอบแทนจากผู้รับหรือจากใครทั้งสิน้นให้ด้วยความเมตตากรุณาด้วยความมีไมตรีจิตด้วยความสงสารเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต้องการให้ผู้ที่รับนั้นมีความสุขบ้างจึงแบ่งปันความสุขในรูปแบบของปัจจัยสี่ให้กับผู้อื่นไปถ้าเราทำอย่างนี้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราก็จะได้รับความอิ่มเอิบใจมากได้รับความสุขใจมากแต่ถ้าเราทำไปเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นบางคนเวลาจะทำบุญต้องมีการถ่ายรูปมีการส่งไปตามร้านตามโรงพิมพ์หงสือพิมพ์เพื่อให้ได้ประกาศให้คนอื่นรับรู้ว่าได้ทำบุญทำทานถ้าทำอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับความอิ่มเอิบใจเท่าที่ควรหรือไม่ได้รับเลยก็ได้เพราะใจไม่ได้ทำด้วยการเสียสละจริงๆ ไม่ได้ทำด้วยการปรารถนาดีต่อผู้อื่นจริงๆแต่ทำเพื่อความมีหน้ามีตาของตนเองมีชื่อมีเสียงอยากจะให้ผู้อื่นรับรู้ว่าตนเป็นคนใจบุญอย่างนี้เป็นต้นบุญที่ควรจะได้รับจึงไม่ได้รับเท่าที่ควรคือใจก็ยังไม่ได้ระนับดับความหิว ความอยากต่างๆแต่ถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้โดยที่ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนแล้วใจของเราจะมีความอิ่มเอิบและจะไม่หิวกระหายอยากกับสิ่งต่างๆเพราะการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนี้เป็นการชาระกิเลสความโลภความอยากต่างๆนั่นเอง ถ้าเราให้อย่างสม่ำเสมอให้อยู่เรื่อยๆและให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่ต้องการอะไรมาบำรุงบำเรอให้ความสุขกับเราทางด้านจิตใจเพราะเราได้สิ่งที่ดูแลจิตใจของเราอย่างดีแล้วก็คือบุญและกุศลนั่นเองชีวิตของเราก็จะเรียบง่ายจะไม่ฟุ้งเฟ้อเหอเหอิม จะไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งต่างๆที่คนในโลกเขาลุ่มหลงกันเช่นของสวยๆกำงามต่างๆของฟุ่งเฟือยต่างๆของที่มีราคาแพงๆต่างๆเพราะแทนที่จะมีความอิ่มเอิบใจเวลาที่ได้มาแล้วกับมีความอยากจะมีมากเพิ่มขึ้นไปอีกซื้อของอะไรมาวันนี้ แล้วพอเพิ่งนี้ก็อยากจะซื้อใหม่อีกอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ไประงับจับความโลภความอยากความหิวของใจนั่นเองแต่กลับไปสร้างความหิวความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะการกระทำตามความโลภ ก, การกระทำตามความอยากเป็นการรอเลี้ยงให้อาหารกับกิเลส ต, ตัณหา คือความโลภความอยากต่างๆให้มีมากยิ่งขึ้นไปให้กิเลสตัวใหญ่ขึ้นให้ความโลภมันมากขึ้นให้ความอยากมันมากขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะได้อะไรมาตามความโลภตามความอยากแล้วจะไม่ได้มีความรู้สึกพอจะไม่รู้สึกมีความอิ่มเอิบใจไม่เหมือนกับการให้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ไปแล้วจะมีความสุขเพราะเห็นว่าคนที่เขารับของเราไปนั้นเขามีความสุขเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจเพราะได้ตัดความโลภความอยากได้ตัดความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไปนั่นเองนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของการทำบุญให้ทาน ไม่ได้หวังอะไรจากใครทั้งนั้นหวังเพียงแต่จะชำระใจของเราให้มีความโลภความอยากความหิวน้อยลงไปให้ใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมากขึ้นเพราะใจที่มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจนี้เป็นใจดีเป็นสวรรค์เป็นสวรสวรค์ในขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้และเมื่อตายไป ก็จะได้ไปสวรรค์เพราะบุญที่เราทำไว้นี่เองจึงขอให้เราเวลาทำบุญให้ทานขอให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปกังวลกับสิ่งที่เราให้ไปว่าจะไปตกอยู่ที่ใครอย่างไรเพราะมันไม่ใช่เป็นของของเราแล้วเราให้เขาไปแล้ว ก็เป็นของของเขาไปแล้วนอกจากว่ามีการสัญญาตกลงกันไว้ก่อนเช่นมีคนมาขอความช่วยเหลือให้เอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างโรงเรียนถ้าเราสามารถติดตามดูได้ว่าเขาทาตามที่เขาสัญญาไว้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเสียใจถ้าเกิดเขาไม่ได้ นำเอาไปทําตามที่เขาสัญญาไว้ก็ถือว่าเป็นค่างโง่ไปก็แล้วกันเป็นบทเรียนเป็นการซื้อน้ำใจคนดูน้ำใจคนว่าเป็นคนซื่อสัตย์หรือไม่อย่างไรเพราะถ้าเขาไม่ทําตามที่เขาพูดไว้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเชื่อเขาอีกต่อไปโอกาสหน้าเวลาที่เขามาขออะไร เราก็จะได้ปฏิเสธไปได้อย่างสบายใจจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเพราะบางทีถ้าเป็นคนใจบุญเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือมักจะไม่อยากจะปฏิเสธเพราะคนใจบุญเวลาปฏิเสธแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจจะคิดว่าตนเองได้ทาบาปความจริงการปฏิเสธไม่ช่วยเหลือผู้อื่น นั้นไม่ได้เป็นการกระทำบาปแต่อย่างใดเพียงแต่อาจจะไม่ได้บุญเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นการหลอกลวงกันเราปฏิเสธไปเราก็จะไม่เสียใจและไม่เป็นบาปและเราจะได้ช่วยคนที่เข้ามาหลอกลวงเราให้เขารู้ว่าการหลอกลวงนี้ไม่ดีหลอกลวงคนอื่นนั้นหลอกได้เพียงครั้งเดียว ต่อไปเขาจะได้ไม่หลอกลวงเพราะคนเราถ้าพูดกันด้วยสัจจะด้วยความจริงแล้วพูดกันกี่ครั้งขอกันกี่ครั้งก็มักจะได้เสมอเพราะคนให้เขาไม่เสียดายเงินและเขายินดีที่จะให้อยู่แล้วแต่ถ้าไปโกหกเขาเขาก็เกิดความรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกขึ้นมานี่คือการให้ เป็นการให้อาหารกับใจส่วนเสื้อผ้าอภารรของใจที่ทำให้ใจนั้นสวยงามก็คือศีลคือการประพฤติทางกายและวาจาที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นจะทำให้เป็นคนที่ไม่สวยงามไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมยินดีไม่น่ายกย่องสรรเสริญ คนที่ทำผิดศีลเบีดเบียนผู้อื่นมักจะต้องถูกจับไปลงโทษถูกประนามถูกจับไปขังไว้ในกลงเพราะถ้าปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านก็จะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นนั่นเองดังนั้นความสวยงามของคนเราที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าอภารรเครื่องตกแต่งต่างๆแต่อยู่ที่ศีลธรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่จะชนะใจคนเป็นสิ่งที่จะทำให้คนชื่นชมยินดีนับถือรับรับเรานะดังนั้นถ้าเราอยากจะสวยงามขอให้เราสวยงามทางจิตใจ ทางร่างกายก็ดูแลไปพอสมควรไม่ถึงกับต้องเสียเงินเสียทองมากมายไปซื้อเสื้อผ้าอภรรยาราคาแพงๆไปเข้าร้านเสริมสวยเพื่อแต่งหน้าแต่งผมให้เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆเพราะถ้าสวยแต่กายแต่ใจไม่สวยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอคนที่เขาได้สัมผัส ได้รู้จักเราไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนสวยงามแต่อย่างใดจะหลอกได้แต่เฉพาะคนที่เขาไม่รู้จักเราหรือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเราแต่คนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรสวยงามหรือไม่สวยงามอยู่ที่ศีลธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบเทียบความสวยงาม ของคนใ้เหมือนกับดอกไม้ที่มีความสวยงามอยู่สองรูปแบบคือสวยด้วยรูปและหอมด้วยกลิ่นคนเราก็เป็นเช่นนั้นคือมีรูปที่สวยและหอมที่ใจคือใจเป็นคนดีนั่นเองเป็นใจดีมีศีลธรรมถ้า มีรูปร่างหน้าตาดีและมีใจที่ดีด้วยมีศีลธรรมก็เป็นเหมือนกับดอกไม้สวยและมีกลิ่นหอมแต่ถ้ามีรูปร่างหน้าตาที่ดีแต่มีใจที่ไม่สวยงามไม่มีศีลธรรมก็เป็นเหมือนดอกไม้ที่มีรูปสวยแต่มีกลิ่นไม่หอมหรือมีกลิ่นเหม็นนั่นเอง ดังนั้นขอให้เราจงพยายามให้ความสวยงามสร้างความสวยงามให้กับตัวเราให้กับใจของเราด้วยการมีศีลมีธรรมพยายามตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่าปล่อยให้ความโลภความอยากนั้นฉุดลากให้เราไปทำผิดศีลผิดธรรม เพราะเราจะกลายเป็นคนน่ารังเกียจเป็นคนที่ต้องถูกสังคมแยกเอาไว้ไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่คื อ, อความสวยงามของใจศีลธรรมก็คือเครื่องนึ่งห่มของใจนั่นเองถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้ว เราจะเป็นคนที่สวยงามน่ารักน่าเคารพน่าเรื่มใสถึงแม้รูปร่างหน้าตาจะไม่สวยงามแต่อย่างใดก็ไม่เป็นปัญหาเช่นพระภิกษุที่ท่านมาบวชท่านก็โกนศีรษะแต่งกายแบบเรียบง่ายมีเครื่องนุ่งห่ม อ, อยู่ชุดเดียวไม่สวยไม่งามไม่วิเศษวิโสแต่อย่างใด แต่กลับเป็นที่รักที่เคารพของบุคคลทั่วไปก็เพราะการมีศีลธรรมนี้เองการมีศีลธรรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นศีลที่ยากเย็ยนอะไรในขณะนี้ขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่ได้พูดอะไรเราไม่ได้ทาอะไรเราก็มีศีลธรรมแล้วดังนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรที่เราจะทำอะไร ก็ขอให้เรามีสติคอยดูว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นจะผิดศีลผิดธรรมหรือไม่สิ่งที่เราจะทำไปนั้นจะผิดศีลธรรมหรือไม่ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้และยิ่งถ้าเรามีฮิริโอตปะคือความระอายบาปและการกลัวบาปแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ ทำผิดศีลผิดธรรมเพราะความละอายนี้ก็หมายถึงว่าเวลาเราทำบาปแล้วทำผิดศีลแล้วเรากลายเป็นคนรูปไม่สวยงามไปนั่นเองเป็นคนที่น่ารังเกียจเช่นเราไปอยู่กับใครแล้วเราไปลักเล็กขโมยน้อยเข้าของในบ้านของคนที่เราอาศัยอยู่ด้วยไม่นานเขาก็ต้องรู้ว่าเราเป็นคนไม่สวยงาม และเขาก็จะต้องขอร้องให้เราออกจากบ้านเขาไปเพราะปล่อยให้อยู่ในบ้านเขาแล้วจะสร้างความเสียหายนั่นเองนี่คือเรื่องของศีลการที่จะรักษาศีลได้เราต้องมีฮิริโอตปะคือเราต้องอายมีความยางอายว่าการกระทาบาปนี้เป็นเหมือนกับออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัว ออกไปนอกบ้านโดยไม่ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์อย่างนี้จะไม่มีใครกล้าออกไปนอกบ้านอย่างเด็ดขาดเพราะมีความอายนั่นเองแต่เราอายในผิดเรื่องแทนที่จะอายในเรื่องของจิตใจอายเรื่องบาปกรรมเรากลับไปอายเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์เรื่องรูปร่างหน้าตาเวลาเราจะไปงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งต้องพิธีพิธัน หาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่เพราะไม่อยากจะใส่ชุดเก่ากลัวจะไม่สวยไม่งามเท่าที่ควรแต่นี่เป็นความหลงผิดไปหลงผิดว่าความสวยงามอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่เสื้อผ้าอภารรแต่ความจริงแล้วความสวยงามนั้นอยู่ที่ใจของเราต่างหากอยู่ที่ศีลธรรมถึงแม้เราจะไม่แต่งตัวใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ๆเรื่อย เช่นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ใส่ชุดเดิมอยู่ตั้งแต่วันบวชมาจนถึงบัด น, นี้ท่านก็ไม่ได้เป็นที่น่ารำเกียจแต่อย่างใดเพราะท่านมีความสวยงามทางด้านจิตใจนั่นเองแต่ถ้าท่านไม่สามารถรักษาความสวยงามทางด้านจิตใจได้ไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าท่านก็จะต้องลาสิกขา ลาเพศไปเพราะจะไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศของบรรพชิตของนักบวชได้ดังนั้นขอให้เราจงมีความอายในเรื่องศีลธรรมอายบาปแล้วก็ให้เรากลัวบาปด้วยเพราะการกระทำบาปนี้มีโทษร้ายแรงยิ่งกว่าความไม่สวยงามทางร่างกาย ถ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ๆไม่ได้แต่งหน้าทาปากไม่มีใครเขาจะจับเราไปลงโทษไม่มีใครเขาจับเราเข้าคุกเข้าตารางแต่ถ้าเราทำบาปทำผิดศีลเราจะถูกเขาจับไปลงโทษถ้าผิดกฎหมายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษในคุกในตารางถ้าไม่ผิดกฎหมายก็จะถูกยมพบานจับไปตกนรก ในโอกาสต่อไปคือหลังจากที่ตายจากโรคนี้ไปแล้วแต่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้พวกเรามองไม่เห็นกันเราจึงไม่ค่อยกลัวบาป ก, กันแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ เป็นความจริงทั้งนั้นถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเราก็จะกลัวนรกขึ้นมาและเราก็จะไม่กล้าทำบาปอีกต่อไปเราก็จะเป็นคนดีทำให้เรามีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และทําให้เราได้ไปเกิดในสุขติเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วนี่คือเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ ส่วนที่อยู่อาศัยนั้นก็คือการทำจิตใจให้สงบนั่นเองคือสมาธิเวลาจิตใจเรามีความสงบแล้วไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะไม่มากระทบกระทั่งจิตใจของเราเพราะว่าเราไม่ได้เอาเรื่องราวต่างๆนั้นเข้ามาสุมในหัวใจของเรานั่นเองเช่นเวลาเราโกรธใคร แล้วเรามาสวดมนต์มาทำจิตใจให้สงบไม่คิดถึงเรื่องที่เรื่องของคนที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวไม่นานความโกรธนั้นก็ดับไปใจก็สบายใจก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีทําจิตใจให้สงบพอเกิดความโกรธแล้วใจของเราก็จะรุ่มร้อนขึ้นมาจะเกิดมีความอาฆาตพยาบาท และจะต้องไปทำสิ่งที่เสียหายตามมาต่อไปไปทะเลาะวิวาทไปทุบตีกันไปฆ่ากันแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบทำใจให้เบาทำใจให้ปล่อยวางให้ลืมเรื่องที่ทำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยนะดังนั้นเวลามีปัญหาอะไรรุมเงานจิตใจ ทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เรากระวนกระวายกระสับกระส่ายขอให้เรามาทำสมาธิกันถ้าเราทำสมาธิไม่เป็นเบื้องต้นท่านสอนให้เราสวดมนต์ไปก่อนให้มีสติอยู่กับการสวดมนต์อย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาสวดไปเรื่อยๆสวดไปนานๆ จนกว่าใจจะเริ่มเรื่องราวต่างๆหรือจนกว่าใจจะสงบเพราะเมื่อสงบแล้วก็จะเริ่มเรื่องราวต่างๆไปจะเย็นจะสบายเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นก็ต้องเป็นแต่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาได้ถ้าเรารู้จักทําจิตใจให้สงบ ด้วยการทำสมาธิด้วยการสวดมนต์หรือด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราจึงควรฝึกทำกันไว้ก่อนอย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาทำสมาธิเพราะตอนนั้นจะทำไม่ได้เพราะทำไม่เป็นเหมือนกับนักมวยก่อนที่จะขึ้นชกบนเวทีต้องซ้อมก่อนต้องต่อยกระสอบทรายก่อน ต้องชกกับคู่ซ้อมก่อนจนกว่าจะมีความชำนาญแล้วถึงจะขึ้นไปชกบนเวทีถ้าไม่ได้ซ้อมก่อนพอขึ้นเวทีแล้วก็จะไม่มีวิธีไม่รู้จักวิธีต่อสู้ก็จะถูกเขาน็อกเอาได้แพ้ได้แต่ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนแล้วพอเกิดเหตุการณ์ทำให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจ เราก็ทำสมาธิไปสวดมนต์ไปอยู่ที่ไหนก็สวดได้ไม่จำเป็นจะต้องเข้าห้องพระไม่จำเป็นจะต้องมาวัดอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนก็สวดมันตรงนั้นไปสวดไปไภายในใจไม่ต้องออกเสียงอย่าไปรับรู้เรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจทำให้เราไม่สบายใจเดี๋ยววใจก็จะสบายขึ้นมาได้นี่คือที่พึ่งที่หลบภัยของใจ คือการทำสมาธิส่วนยารักษาโรคของใจรักษาความทุกข์ให้หายขาดได้ก็คือปัญญาสมาธินี้เพียงแต่ระนับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ชั่วขณะแต่ชีวิตของเรานี้ต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาเราจะมานั่งทำสมาธิตลอดเวลาก็ไม่ได้เราจึงต้องเจริญปัญญา เพราะถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่ให้เรื่องต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้เพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาปัญญานี้จะสอนให้เราจเจริญว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นของเราและถ้าเรา ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราจะต้องพบกับความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางมีอะไรก็ต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปและในขณะที่อยู่ด้วยกันเราก็ไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้นี่คือปัญญาถ้าเรา พิจารณาอยู่เรื่อยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะปล่อยวางถึงแม้เราจะอยู่ด้วยกับสิ่งต่างๆแต่เราพร้อมที่จะให้เขาเปลี่ยนไปพร้อมที่จะให้เขาจากไปพร้อมที่จะให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราพร้อมอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์ใจของเราจะไม่มีโรคภัยเบียดเบียน โลกของใจก็คือความทุกข์ใจนี้เองเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปจนวันตายนี่คือการมาวัดเพื่อมาสร้างปัจจัยสี่มาบำเพ็ญปัจจัยสี่ให้กับใจนั่นเองเหมือนกับการให้ปัจจัยสี่กับร่างกายเรื่องร่างกายนี้เราชำนาญเราเก่งเราหาได้ปัจจัยสี่ แต่เริ่มใจนี้เรายังไม่เก่งเราต้องพยายามฝึกฝนอยู่เรื่อยๆอย่าไปเสียดายเข้าของเงินทองต่างๆเพราะมีไว้เพื่อมาดูแลใจของเรานี้เองถ้าเราเสียดายก็จะทำให้ใจของเราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายดังนั้นมีอะไรที่เหลือกินเหลือใช้ก็นำเอามาทำบุญให้ฐานเสียรักษาสินไว้ให้ดี มันทำสมาธิอยู่เรื่อยๆและเจริญปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆมองอะไรก็ต้องบอกตอนเองเสมอว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควบคุมบังคับไม่ได้อย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะทำให้ทุกข์ใจถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วใจของเราจะมีความสุขจึงขอฝากเรื่องการบาเพ็ญ